วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบธันวาคมพุทธศักราชสอง2ห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความวิเศษมหัศจรรย์เท่ากับพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ สามารถมอบสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่วิเศษมหัศจรรย์เท่ากับสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็คือวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากสังสารวัตรคือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สามโลกสามภพด้วยกันเรียกว่าไตภพ ได้แก่กามาพบรูปพบและอารมณ์พบกามาพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ได้แก่มนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานเปรตอสูรกายและนรกนี่เป็นพบของผู้ที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นโลดผลทพะเอื้อรูปพบ คือภพของผู้ที่เสพรูปฌปานอารูปภพคือภพของผู้ที่เสบอารูปฌานภพทั้งสามนี้เป็นภพที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเกิดไปในภพไหนไม่ช้าก็เร็วก็จะมีการสิ้นสุดลงเมื่อ สิ้นสุดลงก็จะกลับไปเกิดในภพใหม่ต่อไปสลับกันไปขึ้นลงไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ดวงวิญญาณได้สร้างกันเอาไว้ในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่คือใตภพที่ไม่มีใครสามารถ ถ้าที่จะหลุดออกจากตายภพนี้ไปได้ต้องรอให้มีคนฉลาดคนวิเศษคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาส่งค้นพบว่าดวงวิญญาณของตนนั้นติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและมีความขวนขวายมีความปาราธนา อันแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะพยายามศึกษาค้นค้าหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะพาให้ดวงวิญญาณของตนได้หลุดออกจากตายภพหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วถ้าทำสำเร็จ ก็จะได้วิมุตติได้รับวิมุตติคือได้หลุดพน้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากตายพบออกจากสังสารวัฏเข้าสู่พระนิพพานและหลังจากที่ได้ส่งค้นพบวิธี และได้ปฏิบัติตนจนหลุดพนตต้นจากตรยภพแล้วก็จะนำเอาความรู้ความสามารถอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้อื่นถ้ามีศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะหลุดพ้นเช <gue S 2> <พบ>่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระ อรหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่จึงปรากฏเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมา เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้เกิดศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถบรรลุถึงวิมุติ การหลุดพ้นออกจากของทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ได้สัมผัสกับสิ่งที่มหศัศจรรย์ที่วิเศษยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่โลกเราสมมุติขึ้นว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเช่น ปราศาสตร์วิหารต่างๆกำแพงเมืองจีนหรือปีรามิดอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความวิเศษมาศจั์ของวิมุตตินิพพานแล้วเป็นเหมือนกับฟ้ากับดินเพราะผลที่มากระทบกับจิตใจนี้ต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินเวลาเราไปเห็นสิ่งแปลกประหลาดมาสจั์ของโลก เราก็รู้สึกตื่นเต้นไปสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จางหายไปสิ่งต่างๆที่เรายังมีอยู่เป็นอยู่ในใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการ ที่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งมาส จ, จั์ต่างๆของโลกแต่ถ้าลองเราลองได้มาสัมผัสกับสิ่งมาส จ, จั์ของพระพุทธศาสนาคือวิมุตตินิพพานแล้วจิตใจของพวกเรานี้จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปจะกลับกันจากจิตใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ จะกลายเป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์จะเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขที่จีรังถาวร ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ทำให้ดวงวิญญาณที่ได้เข้าถึงพระนิพพานไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขจากใจพบอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากกามบกุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปประจานไม่ต้องไปหาความสุขจากอารูปประจาน พอความสุขต่างๆที่ไปหาในตายภพนี้เป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงพอความสุขที่ได้รับหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ผู้ที่ได้ความสุขของพระนิพพานแล้วก็จะไม่กลับไปหาความสุขในตายภพอีกต่อไป เหมือนผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแล้วจะไม่สมัครกลับเข้าไปติดคุกอีกต่อไปจะกลับเข้าไปก็ต่อเมื่อถูกจับไปลงโทษใหม่เท่านั้นแต่ไม่มีใครบ้าที่พอออกจากคุกแล้วขอสมัครกลับไปอยู่ในคุกอีกนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิด ออกจากสังสารวัฏแล้วจะไม่ขอสมัครกลับไปเกิดในใภพบอีกต่อไปพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี่แหละคือความมาหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่พวกเรา ได้มีโชคมีวาสนาได้มาพบได้มาสัมผัสกันในพบนชาตินี้อาจจะเป็นครั้งเดียวหรือในเวลาในเวลาอันยาวนานที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกันเพราะว่าการเกิดของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้ง ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัสสรุพระธรรมคําสอนมาตัสสร้วิมุติพานิพันธ์แล้วก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งและนานๆที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันสักครั้งหนึ่ง เพราะคิวของผู้ที่มารอเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยาวมากเพราะอะไรถึงยาวเพราะพ่อแม่ที่จะผ ล, ผลิตลูกให้เป็นมนุษย์นี้มีน้อยจำนวนของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้น้อยมากสัตว์เดรัจฉานนี้เต็มไปหมดสัตว์เดรัจฉานเขาออกลูกทีเป็นฝูง แต่มนุษย์นี่ออกทีละคนสองคนและบางคนก็ไม่ออกเลยก็มียิ่งยุคนี้สมัยนี้มีพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถทํหมันมิทำการป้องกันไม่ให้มีการกาเนิดได้การเกิดของมนุษย์นี้จึงมีน้อยและมีได้ยากใครก็ตามที่ได้มาเกิดมนุษย์นี้ ก็ถือว่าเป็นผู้มีโชควาสนาหนึ่งชั้นแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ได้โชคอีกหนึ่งชั้นเป็นชั้นที่สองการที่จะได้ถูกวัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองครั้งติดกันนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายแม้แต่ได้รางวัลที่หนึ่งครั้งเดียวก็เป็นสิ่งที่ยากแสนยาก ที่พวกเราทุกคนก็รู้กันว่าโอกาสที่พวกเราในชาตินี้จะมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนี้แทบจะไม่มีเลยฉันใดโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพร้อมๆกันนี้ยิ่งยากแสนยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองครั้งติดกันด้วยกันเลย ดังนั้นพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนามหาศาลเราจึงไม่ควรปล่อยโชคมหาศาล น, นี้ให้หลุดลอยไปจากมือของพวกเราเพราะการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นของความมหัศจรรย์แต่ยังมีขั้นที่สองขั้นที่สามที่เราจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้เราได้สัมผัสกับความมาส จ, จรรย์ของวิมุตตินิพพานะเหมือนกับเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ยังไม่ได้ให้อะไรกับเรานะนอกจากให้ความรู้สึกว่าโอ้เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่รู้จักรักษามันอาจจะ ทำให้มันหายไปก็ได้หรือได้มาแล้วไม่รู้วิธีที่จะไปขึ้นรางวัลก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ไปขึ้นรางวัลดังนั้นพอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วยังมีขั้นตอนที่จะต้องทำต่อไปคือจะต้องไปขึ้นรางวัลต้องไปรู้ว่าที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่งได้นี่ไปขึ้นที่ไหนแล้วต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง ต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่าที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งชั้นใดการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันได้พบแล้วถ้าไม่รู้จักวิธีเข้าหาพระพุทธศาสนานไม่รู้จักวิธีที่จะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนานก็ยังไม่ได้รับ ประโยชน์จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาคนไทยเป็นชาวพุทธเกิดในเมืองพุทธเีป็นชาวพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่มีชาวไทยสักกี่คนชาวพุทธสักกี่คนที่ไปขึ้นรางวัลกันที่ไปรับรางวัลวิมุตตินิพพานกันทําไมจึงไม่ไปกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าขาดปัญญา ขาดความรู้ความมหัศจรรย์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับไก่ได้พลอยท่านคงเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไก่นี้เขาจะขุดคุ้ยเขีย่ยตามดินเพื่อหาไส้ตัวหนอนตัวไส้เดือนมาเป็นอาหาร เวลาเขาไปเจอก้อนเพชรก้อนพลอยเขาก็เกลี่ยทิ้งไปเกลี่ยทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้คุณค่าราคาของเพชรของพลอยว่ามีราคามากน้อยอย่างไร <Yeah. S 1> เมื่อเขากินไม่ได้เขาก็เกลี่ยทิ้งไป <Yeah. S 1> เกลี่ยทิ้งไป yeah. ชาวพุทธที่มาเกิดในพุทธศาสนาที่ไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง คือไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็เปรียบเหมือนกับพวกที่เป็นพวกไก่ได้ปล่อยนะเพราะว่าเห็นคุณค่าของลาบยศสละเสริญของความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพะมากกว่าเห็นคุณค่าของเพชรปลอยของพระรัตนตรัยนั่นเองจนะึงไม่เข้าหา พอไปดูว่าเข้าหาแล้วจะได้อะไรไม่ได้ศึกษาเกิดมาในเบืองพุทธรู้เพียงแต่เปลือกของพุทธรู้คิดว่าพุทธศาสนาคือวัดคือโบสถ์คือพระพุทธรูปต่างๆซึ่งไม่สามารถทําอะไรให้กับเขาได้เขาเห็นพระเห็นโบสถ์เห็นพระพุทธรูปเ ห, เห็นว่าเห็นว่า ก็ไม่ได้ทําให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเขาก็เลยไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพราะเขาไม่ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เข้าถึงความจริงของพระพุทธศาสนานั่นเองความจริงของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่พระพุทธรูปนะ อยู่ที่พระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆความจริงของพระพุทธศาสนาอยู่ที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองอันนี้ถ้าไม่เข้าศึกษาเช่นการฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายมาฟังกันในวันนี้พวกท่านก็จะไม่รู้จักเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรมีคุณค่ามีประโยชน์กับตนอย่างไรก็จะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้เพชรได้พลอยถ้าไม่มีคนสอนถ้ามีคนสอนบอกเฮ้ย hey, เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เอาไปขายในซื้อหนอนได้กินได้ทั้งชาติ ไม่ต้องมาเหนื่อยมาขุดคุยหาตัวนอนตัวไส้เดือนกินทุกวันได้เพชรได้พลอยเม็ดเดียวนี้เอาไปแลกเป็นเงินแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินทุกวันสบายไม่รู้คุณค่าเพราะกินไม่ได้อคนที่ ติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกับไก่ที่ติดอยู่กับการหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมารับประทานนั่นเองพอไปเจอเพชรเจอพลอยที่กินไม่ได้มันก็เขียดทิ้งเขียทิ้งคนไทยที่ยังติดอยู่กับ ก, บการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เหมือนกัน พอเจอพระรัตนตรัยก็เกียดทิ้งไปเกียดทิ้งไปไม่เข้าหาไม่เข้าใกล้เพราะว่าคำสั่งคำสอนของพระรัตนตรัยนี้มันไปขัดกับความต้องการของใจในการที่จะแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆนั่นเอง พระพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้รู้ว่าการหาลาบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มียาวขึ้นให้มีมากขึ้นนั่นเองเพราะจะทำให้เกิดความติดติดในลาบยศสรรเสริญติดในรูปเสียงกลิ่นรสผทพภาต่างๆ พอร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ไม่ได้ตายนี้ยังมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ก็จะไปเกิดใหม่ก่อนที่ไปเกิดใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาป ที่ได้ทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญไว้มากกว่าทำบาปก็จะไปรับผลในสุคติไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆหรือถ้าได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปเกิดในภพของพรหมไปเกิดในพรหมรโลก ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุ ร, รกายบ้างไปตกนรกบ้างพอผลบุญหรือผลบาปนั้นได้หมดกําลังลงไม่สามารถดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสวรรค์ได้ก็จะมารอ รับร่างกายของมนุษย์เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์มาตอบสนองความอยากของใจคือความอยากที่จะเสพลาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาใหม่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็จะมาทำแบบเดิมมาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรส ก็เป็นการเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นต่อไปแล้วพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะท่องทุกข์เพราะจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วก็ทุกข์ไปจนวันตายพอตายแล้วก็กลับก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ หมดจากการรับผลบุญผลบาปก็ไปเกิดใหม่ก็ <c oughs> จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงต้องคอยสอนคอยบอกให้ละการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญให้ละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขทางใจกันความสุขทางใจนี้จะทำให้ตัดภพตัดชาติลงไปได้จะทำให้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าของการหาความสุขทางใจก็จะไม่สนใจ จะไม่ชอบฟังคำสั่งคำสอนถ้ายังติดอยู่กับการหาราบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่จะเห็นโทษก็ต่อเมื่อไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียราบยศ ส, สรเสิญสูญเสียความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไปเท่านั้นถึงจะอาจจะทำให้ หันเข้าหาพระพุทธศาสนาหันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาคือความทุกข์ใจให้มันหายไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาแก้ความทุกข์ใจได้เวลามันเกิดขึ้นมาต่อให้มีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผพตภาพให้เสพอยู่ตลอดเวลา มันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้นั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้รู้ว่าวิธีของพระพุทธศาสนาที่จะเอามาดับความทุกข์ของใจนี้ ทำได้อย่างไรออพอได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติดูเอาไปทําดูพอได้ลองทําดูก็เกิดผลขึ้นมาพอเห็นผลก็จะเกิดความศรัทธามากขึ้นเกิดความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อย ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดความอุตสาหะวิริยะที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นไปพอปฏิบัติมากผลก็ปรากฏขึ้นมามากจนในที่สุดก็จะปฏิบัติอย่างเต็มที่เคยทําอะไรต่างๆเคยหาความสุขจากทางอื่นก็จะเลิกหา จะเข้าหาความสุขจากการศึกษาจากการปฏิบัติคตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวพอได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มร้อยทําให้จิตใจดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้อย่างเต็มร้อย ทำให้ยุติการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเต็มร้อยได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่สมบูรณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างเต็มร้อยก็ได้สำเร็จได้บรรลุถึงวิมุตติการหลุดพ้นได้บรรลุถึงพันธิพา น, านได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา เมื่อได้เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จะอดที่จะอยากจะเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่ได้เมื่อมีโอกาสมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาก็ยินดีที่จะมอบความรู้ต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา mm hmm. เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเอาไปสร้างสิ่งที่มาสะจใจ ที่ยังไม่มีอยู่ในใจนั้นให้ปรากฏขึ้นมาได้การเข้าถึงสิ่งมาสัจจรใจของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีข้อเงื่อนไขคือไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นนักบวชเป็นได้ทุกแบบเป็นนักบวชเรืมเป็นผู้ครองเรือนก็สามารถเข้าถึงวิมุตติได้เป็นหญิงหรือเป็นชายก็เข้าถึงวิมุตติได้ เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนก็เข้าถึงวิมุตติได้เป็นคนใหญ่โตเช่นเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นคนธรรมดาสามัญก็เข้าถึงวิมุตตินิพพานของพระพุทธศาสนาได้ในสมัยพุทธกาลนี้มีคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับฐานะ ที่เข้าถึงวิมุตติกันได้นะมีพระราชามหากษัตริย์มีคนธรรมดาสามัญมีนักบวชมีผู้คองเลือนมีหญิงมีชายมีเด็กมีผู้ใหญ่มีทั้งคนดีทั้งคนชั่วองคุลิมานฆ่าคนถึง999คนก็ยังเข้าถึงวิมุตตินิพานได้ ฉนั้นเราอย่าอ้างข้ออ้างต่างๆเพราะมันไม่มีข้ออ้างที่จะมาอ้างที่จะมาห้ามไม่ให้เราพวกเราทุกคนนี่เข้าถึงวิมุตตินิพพานได้สิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการเข้าถึงวิมุตตินิพพานก็คือความไม่เชื่อนั่นเองความไม่มีศรัทธาในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้านาํเอามาเผยแผ่สั่งสอน ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ศึกษาไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามเมื่อไม่สนใจไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาดงนั้นสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะได้สัมผัสกับความมาสัจรันของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็ต้องเชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระพูดพระธรรมพระสง์ ว่าเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นมหาัศจันทร์ของโลกที่แท้จริงแล้วแล้วได้นําเอามาสอนมาบอกพวกเราผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้เห็นถ้าพวกเราจะเปรียบเทียบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกับพวกเราเป็นคนตาบอดนี่ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอด เวลาจะไปไหนมาไหนก็มักจะต้องอาศัยคนตาดีพาไปถ้าไม่มีคนตาดีพาไปก็จะไม่สามารถไปตามจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้ด้วยตนเองพวกเราก็เหมือนกันพวกเราถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องเชื่อคนที่เขา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วมาเป็นผู้นำทางเป็นผู้พาให้เราออกจากกองทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ก็เป็นเหมือนกับคนไข้ที่ต้องเชื่อหมอถ้าไม่เชื่อหมอคงไม่ไปหาหมอ ที่ไปหาหมอก็เพราะิดเชื่อเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของหมอว่าหมอนี่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้เวลาเป็นโครคภัยไข้เจ็บเราก็มักจะไปโรงพยาบาลกันหรือถ้าโรงพยาบาลไม่สะดวกก็อาจจะไปคลินิกไปเพื่อไปหาหมอไปปรึกษากับหมอไปเล่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราให้หมอฟัง พอหมอได้สัฟังแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ให้ยามารับประทานพอหมอให้ยามาเราก็ต้องเชื่อว่ายาที่หมอให้เรามานี้เป็นยาที่จะรักษาโรคภัยใค้เจ็บของเราให้หายได้ถ้าเราไปลังเลสงสัยว่าเป็นยาพิษหรือเปล่ากินแล้วจะเจ็บมากกว่าเก่าหรือไม่เราก็จะไม่กล้ากิน แต่เราจะไม่กล้าคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเราคงไม่กล้าไปหาหมอในในเบื้องต้นแล้วในเบื้องต้นเราต้องเชื่อว่าหมอนี่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้แล้วพอหมอลู่ว่าเราเป็นโรคอะไรหมอก็ให้อยู่ให้ายาเรามารับประทานหรือถ้าเป็นโรคที่ต้องมีการดําเนินการมากกว่านั้นเราก็ต้องยอมให้หมอดําเนินการให้ เช่นถ้าต้องมีการผ่าตัดมีการทำอะไรเราก็ต้องยอมถ้าเราอยากจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องเชื่อฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนหมอที่จะมารักษาโรคใจของพวกเราคือความทุกข์ใจต่างๆให้หายหมดไปได้และการที่เราจะเชื่อก็เพราะว่าเรามีผู้ที่มา เผยแผ่บารบอกกิตตศัพ์ของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาจากพระพุทธเจ้าจากพระสาวกแล้วจนหายจากโรคภัยของจิตใจคือหายจากห า, หายพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วคือพระสาวกต่างๆของพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นผู้ที่มาเผยแผ่กิตตศัพ ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะรักษาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายหมดสิ้นไปได้พอเรามีผู้ที่มายืนยันมาประกาศกิตติศัพท์รรรของพระพุทธพระธรรมด้วยคือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย มันก็ทำให้เรามีความมั่นใจที่เราจะเชื่อได้เชื่อแบบที่เราเชื่อหมอนี่แหละหมอนี่ก็อาศัยกิตติศัพท์ของคนไข้ที่ไปรักษากับหมอพอหายแล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี้หมอเก่งกลายเป็นโรปอะไรรีบไปรักษาได้เล ย, เยอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะเชื่อเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รักษาโลกของทางจิตใจให้หายหมดได้ถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แล้วก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อยู่สองสอ ง, สองแหล่งด้วยกันคือหนึ่งคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปี ในขณะที่มีชีวิตอยู่คาสั่งคาสอนทุกบททุกบาทนี้สอนเรื่องเดียวเท่านั้นสอนวิธีรักษาใจให้หายจากความทุกข์นั่นเองและได้มีการจดจำไว้และถ่ายทอดกันมาและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและได้มีการคอยตรวจตราด้วยจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมาเป็นยุคยุค มารับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคลาดเลื่อนจากความเป็นจริงใครได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วนะปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนในพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อันนี้เป็นหลังที่หนึ่งที่เราสามารถ มีความเชื่อมีความศรัทธาได้เชื่อแล้วศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามแล้วจะทำให้ความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายหมดไปจะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้สิ้นสุดลงได้นี่คือแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่สองก็คือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุด อย่างน้อยท่านก็รู้ทางที่จะพาให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สามที่ยังไม่ได้บรรลุหลุดพ้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นตแต่ได้หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปพระโสดาบันก็หลุดพ้นไปขั้นหนึ่งพระสกิดาคามีก็หลุดพ้นไปขั้นที่สอง พระอนาคามีก็ขั้นที่สามมีพระอารหันต์ที่หลุดพ้นอย่างเต็มร้อยไปถึงพระนิพพานได้อย่างเต็มร้อยไม่ต้องติดอยู่ในตายพบอีกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในกามาพบอยู่อีกเจชาติถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็อีกหนึ่งชาติ ถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปติดอยู่ในรูปภพหรืออารูปภพจะไม่กลับไปเกิดในกามภพอีกต่อไปถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะหลุดพ้นจากไตรภพจากกามภพรูปภพและอารูปภพเนี่ยแต่จะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระอริยะ อันดับไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะไปถึงขั้นที่สีด้วยกันเพราะท่านรู้ทางแล้วเพียงแต่ว่าท่านยังเดินทางไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ในที่สุดก็จะไปถึงไม่มีอะไรที่จะมาขวางพระอาริยบุคคลไม่ให้ไปถึงพระนิพพานได้ฉังนั้นเราเชื่อได้ถ้าเราได้พบกับพระอาริยบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นระดับที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ก็ตามท่านก็จะสอนเหมือนกันสอนเรื่องเดียวกันสอนวิธีดับความทุกข์สอนวิธียุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันหมดเมื่อเราได้ศึกษาแล้วถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นขั้นตอนที่ ผู้ที่ได้หลุดพ้นได้ทําการมานับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระาศาสนาพอครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงธรรมเป็นครั้งแรกมีผู้ฟังอยู่ห้าคนด้วยกันคือพระปัญจวัคคีพอแสดงธรรมสิ้นสุดลงหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอนญานโกนทัญญะก็หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งได้ จากการที่ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรมและพิจารณาตามในขณะที่ฟังการพิจารณาตามนี้ก็เป็นการปฏิบัติแล้วพอฟังไปพิจารณาตามไปพอเข้าใจก็ปล่อยวางได้ตามที่ได้ได้เข้าใจคือปล่อยวางร่างกายได้พิจารณาว่าร่างกายเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปพอไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปหมดพอแสดงทำเสร็จพระพุทธเจ้าผู้มีผู้มียานสามารถอย่างรู้ถึงใจของผู้ฟังได้ ก็เป็นผู้กล่าวขึ้นมาเองว่าอัน ญ, ญานโกนธัญะเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอเธอเห็นแล้วหนอเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นอ น, นิจจังทุกขังนัตตาของร่างกายแล้วก็ปล่อยวางได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายได้เป็นผู้ที่เข้าถึงพระอริยสัจสี่เข้าถึงตรหลักที่จะเป็นเครื่องมือที่จะพาให หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตามลำดับต่อไปพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมที่จะนำพาไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้ไม่ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนอีกต่อไปสมมติว่าถ้าถ้าตายไปเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ยังมีดวงตาเห็นธรรมอยู่ ยังสามารถปฏิบัติไปโดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาบอกทางก็ไปเองได้เพราะมีแผนที่เนี่แผนที่นี้ก็คือพระอริยสัจสีและพัฒน์และไตรลักษณ์นี้เองนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ ดง น, นเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามปลุกฝังความเชื่อให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้ายัางไม่เชื่อวิธีที่จะทำให้เกิดความเชื่อก็คือต้องศึกษาให้มากขึ้นต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของป้าสาวกของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระธรรมคำสั่งคำสอนศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเกิด ความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็ที่จะอดที่จะเชื่อไม่ได้อดที่อยากจะลองพิสูจน์ไม่ได้ขั้นตอนต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นก่อนแล้ววิธีที่จะทาให้เกิดความเชื่อก็คือการศึกษานี่แหละศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้น ถึงจะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาได้ถ้าศึกษาจากแหล่งอื่นนี้อาจจะทำให้ไข้เขวได้เพราะว่าไม่ได้เป็นของแท้ของจริงนั่นเองถ้าไปฟังจากผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็อาจจะพูดให้เราสรับสนได้ฟังแล้วก็อาจจะทำให้เรางงได้แล้วเวลามีคำถามก็ไม่สามารถตอบคำถามของเราได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรที่จะเปลี่ยนแหล่งของการศึกษาเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดศรัทธาความยินดีที่จะปฏิบัติต้องเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์อย่ายึดติดกับพระรูปใดรูปหนึ่งครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งให้ยึดติดอยู่ที่คำสอนของท่านว่าทาให้เกิดศรัทธา ทำให้เรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาได้หรือไม่ถึงแม้จะมีศรัทธาแต่ถ้านำเอาไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลก็ไม่ได้เป็นคำสอนที่ถูกต้องก็ได้อย่างองคุลิมานก็มีความศรัทธาในอาจารย์ขององคุลิมาน อาจารย์ขององคลิมานี้มีอคติต่อองค์คุลิมานอยากจะทาลายองค์คุลิมานเลยหลอกองค์คุลิมานว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมขั้นสูงนี้ต้องไปฆ่าคนมาหนึ่งพันคนแล้วจะเป็นคนวิเศษคนเก่งองค์คุลิมานมีศรัทธาในคำเชื่อของครูบาอาจารย์ก็ทาตามไม่สงสัย พร้อมที่จะไปทําตามที่อาจารย์สอนก็ไปฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนทุกครั้งที่ฆ่าก็เก็บนิ้วของเขามาเพื่อจะได้จําสถิติได้ว่าฆ่าคนมากี่คนพอถึงคนที่หนึ่งพันก็มาเจอพระพุทธเจ้าก็คิดว่าเราใกล้จะสำเร็จแล้วเนี่ยก็เลยพยายามที่จะวิ่งตามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิฤทธิสามารถที่จะทําให้องคุลิมานวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งตามไม่ทันจนในที่สุดองคุลิมานถึงกับต้องตะโกนออกไปว่าท่านหยุดเถิดแล้ววิ่งยังไงก็ตามท่านไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงถามว่าตอบไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมานก็เลยงงว่า ก็ท่านหยุดแล้วทําไมผมวิ่งถึงตามไม่ทันพระพุทธเจ้าเขาบอกเราดูดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเธอยังมีความโลภยังอยากบรรลุธรรมอยู่แล้วก็เป็นการการกระทําที่เกิดจากความหลงเพราะการที่จะฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตนเองเป็นผู้วิเศษนี้เป็นไปไม่ได้ ถ้าเธออยากจะเป็นผู้วิเศษเธอต้องฆ่ากิเลสของเธอเองต่างหาะให้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากการฆ่าผู้อื่นไปเป็นฆ่ากิเลสพอเคลมานฟังแล้วก็เกิดจัดทธาขึ้นมาก็นำเอาไปปฏิบัติตามนี้แทนที่จะไปฆ่าคนก็ไปฆ่ากิเลสของตนเองพอฆ่ากิเลสของตนเองหมดสิ้นไปจากใจก็บรรลุเป็นผ้าหลานขึ้นมาทันทีนี่แหละคือ ถึงแม้จะมีศรัทธาก็ต้องระวังว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเหล่านี้ถูกหรือไม่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันมันมันมันไม่ถูกก็ต้องสังสงสัยขึ้นมาได้การสงสัยครูบาอาจารย์นี้ไม่เป็นการเสียความเคารพแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ เรายังศรัทธาในตัวท่านแต่เราสงสัยในคำสอนของท่านว่าสอนถูกหรือผิดถ้าคนเขาบอกว่าภูเก็ตอยู่ทางทิศเหนือเราก็ต้องสงสัยแล้วว่ามันถูกหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะเคารพเขาแต่เมื่อคำสอนของเขาอาจจะไม่ตรงกับความจริงเราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนอาจจะต้องไปหาแหล่งอื่นมายืนยัน ฟังอาจารย์นองเดียวแล้วอาจจะไม่มั่นใจก็ลองไปหาแหล่งอื่นเพื่อที่จะได้ทดสอบเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนยสำหรับชาวพุทธเรานี้เราก็มีสองแหล่งให้เราได้เปรียบเทียบกันแหล่งที่แน่นอนก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยไปศึกษาพระไตรปิฎกได้เนี่ยพระสูตรต่างๆเช่น ธรรมจัจากงารแสดงธรรมรั้งแรกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนี่ยมงคลแลสูตรเนี่ยสติปัฏฐานสูตรอะไรเหล่านี้ไปเรียนได้อ่านได้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่อาจจะเป็นคำสอนที่ยากต่อความเข้าใจอาจจะต้องอาศัยอาจารย์มาช่วยอธิบายเราก็ลอง พอเรารู้ครรําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกตั้งว่าเป็นยังไงแต่เรายังไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เราก็ต้องไปศึกษาจากอาจารย์รูปอื่นก็ลองแล้วไปฟังดูว่าท่านสอนแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ท่านสอนมรรคแปดหรือไม่ท่านสอนศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ท่านสอนทานศีลภาวนาหรือไม่ หรือท่านสอนให้เรามีฤทธิ์มีเดชดำดินได้เหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้เราจะได้รู้ว่าสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหรือไม่เราจะได้ไม่หลงทางเพราะบางทีท่านก็ไม่มีเจตนาที่จะมาหลอกเราแต่ท่านเชื่อของท่านอย่างนั้นท่านหลงทางแล้วท่านคิดว่าท่านไปถูกทางท่านก็เอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราเป็นหลงเชื่อตาม เราก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ผลก็ได้แต่ถ้าเราได้มีแหลังอย่างแหลังอื่นมามาเปรียบเทียบหลังที่เรามั่นใจได้คือ พ, พระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่สอนนีสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้าสอนไม่เหมือนนี่เราก็เริ่มควรที่จะ สงสัยได้แล้วว่าไปถูกทางหรือไม่เช่นคําสอนบางแห่งเขาสอนว่าไม่ต้องเรียนสมาธินั่งสมาธิไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งแล้วก็ได้แต่ฌานเท่านั้นไปปัญญาเลยไปวิปัสสนาเลยเอ้นี่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าสอนมรรคแปดเนี่ยมีทั้งสัมมาสมาธิมีทั้งสัมมาอาัตถิสัมมาสังกปที่เป็นปัญญา สอนถ้าถ้าไม่สอนสมาธิแล้วท่านใส่ไปสมาธิไว้ในมรรคแปดทำไมมันมีความจำเป็นมีความสำคัญที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสงสัยแล้วถ้าถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าสมาธิไม่จำเป็นท่านก็ไม่สอนให้มาเสียเวลาสอนแค่มรรคเจ็ดก็พอ ทำไมต้องมีมรรคแปดด้วยบางแห่งเขาสอนอย่าไปนั่งสมาธิเลยนั่งแล้วก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่งแล้วไม่เกิดปัญญานั่งไปทําไมเขาไม่รู้ว่านั่งสมาธิไปทําไมนั่นเองนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาเกิดความสุขในใจเกิดความอิ่มใจสุขใจเพื่อจะได้มีกําลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาต่อไปต่างหาก เหมือนกับทหารเนี่ยเวลาจะส่งเขาไปรบนี่ไม่ให้ไม่ให้เขากินข้าวนี่ให้แต่ปืนไปเนี่ยเขาหิวข้าวเดี๋ยวเขาก็ไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราถึงต้องมีอาหารมีค่ายที่พักให้เขาได้พักผ่อนออมีอาหารให้เขารับประทานพอเขาได้รับอาหารได้พักผ่อนหลับนอนพอตื่นเข้ามาก็มีกำลังวังชา ทีนี้เราก็ให้อาวุธเขาเยให้ปัญญาอาวุธคือปัญญาให้ปืนให้ระเบิดให้มีดเขาจะได้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้อันนี้ก็เหมือนกันใจก็เหมือนทหารเนี่ยที่จะต้องออกรบสงครามลบของใจก็คือคือสนามสนามลบของใจก็คือข้าศึกศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่ใจจะต้องไปต่อสู้ด้วยไปทาลายให้หมด เพราะกิเลสตัณหานี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองและการที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้ใจต้องมีกำลังก่อนต้องได้พักผ่อนหลับนอนได้กินอาหารก่อนได้มีความสุขได้มีความอิ่มหนำสำราญใจก่อนเราถึงจะให้อวุธคือปัญญาให้ใจรักให้อริยสัจสี่ ไปต่อสู้กับกิเลสอีกต่อไปเนี่ยถ้าไปแบบไม่มีสมาธิรู้ตายรักรูก้อริยสัจ ส, สีแต่สู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสบอกว่าไอ้นั่นดีอันี่ดีก็เชื่อตามเห็นลาบยุตสารเสริญก็บอกดีเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็เชื่อตามเสอสู้มันไม่ไหวถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจมันหิวใจมันไม่มีกาลัง แล้วถ้าได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมามันก็เลยต้องเสบนะเพราะเมื่อในใจไม่มีความสุขก็ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแทนแทนที่จะไปหยุดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยกลับไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสแทนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปศึกษากับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ได้ผ่านแล้วผู้ที่ได้บรรลุแล้ว จะเห็นคุณค่าของทั้งปัญญาเห็นคุณค่าของส ม, สมาธิและเห็นคุณค่าของศีลเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดเป็นเหมือนผู้ที่จะสนับสนุนกัน mm hmm. พระพุทธเจ้าบอกศีลนี้จะสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธินี้จะสนับสนุนให้มีปัญญา ให้ใช้ปัญญาในการทำลายกิเลสได้ปัญญาจะสนับสนุนให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เนี่ยเป็นธรรมที่เป็นขั้นที่เราจะต้องมีกันมีให้ครบเนี่ยมรรคแต้องมีให้ครบไม่ใช่เลือกชอบมรรคชนิดนี้แต่ไม่ชอบชนิดนี้ก็ไม่ทำเพราะการฝึกสมาธินี้สำหรับคนส่วนใหญ่นี่จะเป็นของยาก ยากกว่าการเรียนทางปัญญาเรียนปัญญามันง่ายเพียงแต่ฟังแล้วก็เข้าใจอริยาาสัจสี่เป็นยังไงทุกสมุทัยนิโรธบ้งฟังก็เข้าใจตายลักก็เข้าใจอ น, นิจจังไม่เที่ยงเป็นยังไงก็เข้าใจทุกเป็นยังไงก็รู้กันอนัตตาไม่มีตัวตนก็รู้กัน แต่มันเป็นความรู้ที่ไม่มีกำลังที่จะไปใช้ในการสู้กับกิเลสนั่นเองการจะสร้างกำลังให้กัจ่ายนี้เป็นขั้นยากคือขั้นฝึกสมาธินี้เป็นขั้นยากเพราะใจนี้ไม่เคยชอบอยู่เฉยๆเลยชอบคิดปุงแต่งตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดหาเรื่องลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเนี่พอคิดแล้วมันก็จะทำให้ได้ไปเสพสัมผัสกับลาบยศสารเสิร์นพอได้เสพมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมามันก็เลยติดเหมือนคนติดยาเสพติดมันก็จะคิดอยู่กับเรื่องการหาลาบยศสารเสริญอยู่ตลอดเวลาพอจะบอกให้มันหยุดคิดมันก็หยุดไม่ได้ นี่จึงรู้สึกยากเนี่ยพอเวลาจะมานั่งสมาธินี้เริ่มอึดอัดขึ้นมาเลยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งดูหนังดูละครนี่นั่งได้เป็นชั่วโมงไม่มีการรู้สึกอึดอัดลำคาญใจเลยเพราะมันได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสตามที่มันชอบตามที่มันอยากนั่นเองพอให้มันหยุดเสบรูปเสียงกลิ่นรสให้มันมาเสพพุโทโธพุโทโธคําเดียวนี้มันไม่เอาเ ให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันก็ไม่เอามันก็จะวิ่งไปหาคิดถึงรูปเสียงกิดด่นรถคิดถึงหนังคิดถึงละครคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เลยทําให้นั่งไม่ได้กันมันก็พอมีอาจารย์มาบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็เลยชอบเลยเข้าทางเลยอาจารย์ก็ฉลาดเนี่ยพว อ, อาจารย์ต้องการลูกศิษย์ลูกหาที่สอนเพื่อหอาลูกศิษย์ลูกหา ถามีโลกสิทโลกหาจะได้มีลาบมีสักการะเนี่ยอันนี้ก็ไปด้วยก็หลงทางไปด้วยกันก็ไปทางเดียวกันอาจารย์ก็ยังอยากได้ลาบยศเสรเสริญอยู่ลูกสิทธิ์ก็ยังอยากสบายจากการปฏิบัติอยู่ก็เลยชอบอาจารย์ที่สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ ว, วิปัสสนาเลยกิเลสตายด้วยวิปัสสนาไม่ได้ตายด้วยสมาธิอันนี้ก็ถูกไม่ขัดไม่ไม่ขัดความจริง แต่มันไม่มีกำลังจะฆ่ากิเลสด้วยปัญญาสินั่นคือปัญหาดังนั้นเราต้องระแวงสงสัยบ้างพระพุทธเจ้าไม่ห้ามไม่ให้ระแวงสงสัยทรงแสดงไว้ในการลามาสตรเนี่ยอย่าเชื่อโดยที่เชื่อกันตามมาเขาเชื่อมาแล้วก็เชื่อตามเขาอย่าเชื่อเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เรา อยาเชื่ออะไรนี้ต้องมาพิสูจน์ก่อนว่าเป็นจริงตามที่เขาพูดหรือไม่เชื่อว่านี่คือทุกข์นั่นี่คือเหตุของการดับทุกข์ลองทำดูซิว่าดับทุกข์ได้หรือเปล่ า, าถ้าดับได้ถือว่าใช้ได้ต้องเอาไปพิสูจน์เหมือนยาที่หมอให้มากิน จะไปปฏิเสธก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อด้วยการพิสูจน์นะฮะก็ลองพิสูจน์อยู่ต้องกินอยู่ไม่ใช่เชื่อแล้วแต่ไม่กินเชื่อว่ายาดีไม่ต้องกินก็ได้เดี๋ยวหายมันไม่หายหรอกเนี่ยมันก็ต้องกินยาคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ต้องพิสูจน์อยู่พิสูจน์แล้วถ้ามันไม่เกิดผลตะที่ควรจะเกิดเราก็ควรที่จะดังเลสงสัยได้ อาจจะต้องไปศึกษากับแหล่งอื่นต่อไปมีอาจารย์หลายหลหลายคนหลายที่ด้วยกันที่ว่าเก่งว่าดีเราก็ลองไปทดสอบดูแต่ควรจะมีของพระพุทธเจ้าไว้เป็น เ, เป็นมาตรฐานเป็นที่วัดว่าสอนตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่สอนครบทั้งองค์แปดมรรคองค์แปดครบหรือไม่ ถ้าสอนไม่ครบก็ควรจะลังเลสงสัยได้แล้วนะรับนี่คือการที่จะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาต้องอาศัยการศึกษาจากหลายหลายแหล่งด้วยกันก่อนนะแต่แหล่งที่เราไม่ควรขาดก็คือพระไตรปิฎกแต่ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกที่มือถึงแปดหมื่นสี่พันบทนี่เอาแค่สองสามบทก็พอเนี่สาร ศึกษามรแบดศึกษามงคลละสูตรศึกษาสติปัฏฐานสูตรนี่สามสูตรนี่ก็พอที่จะทำให้เราเข้าใจถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ต่างๆดูดูว่าสอนอยู่ในแนวนี้หรือไม่หรือสอนครบหรือไม่อาจจะสอนแนวเดียวกันแต่อาจจะไม่ครบก็ได้ก็ต้องลังเลสงสัย เพื่อที่เราจะได้มีความมั่นใจเพราะถ้าเราไม่มั่นใจเราจะไม่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเมื่อไม่ทุ่มเทผลมันก็จะเกิดยากผลจะเกิดได้ง่ายก็อยู่ที่เราทุ่มเทให้กับการปฏิบัติถ้าเราทุ่มเทห้าสิบก็ผลก็จะได้แค่ห้าสิบ ถ้าทุ่มเทเต็มร้อยก็จะได้เต็มร้อยแล้วจะได้เร็วด้วยเพราะยิ่งทุ่มเทมากมันก็จะเสร็จเร็วถ้าทุ่มเทน้อยมันก็จะเสร็จช้าบางคนจึงสําเร็จช้าเร็วต่างกันบางคนเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีกว่าจะเกิดศรัทธาเต็มร้อยก็อาจจะใช้เวลาหลายปีถึงจะทุ่มเทอย่างเต็มที่อันนี้ก็แล้วแต่ ความศรัทธาความเชื่อมั่นของแต่ละคนที่จะต้องอาศัยการเข้าหาแหล่งที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ให้ความเชื่อมัน่นต้องศึกษาจากพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าโชคดีได้เจอพระอริยสงฆ์สาวกก็จะทำให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติและการบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วการได้สัมผัสกับความมาส จ, จั์ของพระพุทธศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องของความวิเศษมาส จ, จาย์ของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษมาศา จ, จาย์เท่าได้นำเามาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอ อนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกบปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภว อภิวาทานสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วหลังจากปิดใหม่แล้วก็ขอหยุดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ กลาบสาธุเจค่ะวันนี้ยอดเฟ e บุ๊ k นะคะมี294ท่าน y o u ู u b e 260ท่านวิทยุ17ท่านผู้รับฟังบนข่าวมี226ท่านค่ะรวมเป็น797ท่านเจ้าค่ะหวยออกพอดีเนะี <laughs> ่ยจำาเลรกันะ <laughs> <laughs> อา้าใครอยากจะถามกเา็เดี๋ยวหยิบไม้ไปพูดใกล้ๆปากจะได้ยินชัดๆกาบธมสกัดกาบธ ร, รมสกัดพระอาจารย์นะคะพอดีหนูมีคําถามอยากจะถามว่าในบางครั้งนะคะเราเคยทําผิดพลาดในอดีต่ะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องปานกาหรือเรื่องใหญ่แบบเนี้ฮ ะ, ะแล้วบางครั้งเรารู้ตัวว่าเราผิดไปแล้วแต่ใจของเรายังแบบว่า ไม่น่าเลยไม่น่าไปทําเลยอะไรประมาณนี้ค่ะพระอ า, าจารย์พอจะมีวิธีแนะนําที่ให้เรา move on หรือว่า่อไปได้ยังไงบ้างคะได้มันก็เป็นอดีตไปแล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอรับผลที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องเจริญเติบโตไปตามเวลาของมันเพียง<ม>แต่เราเอา การผิดพลาดของเรามาเป็นคติเตือนใจกันแล้วกันว่ า, าทำผิดแล้วเราอย่าไปทําซ้ำอีกแคะนั้นแล้วเราก็จะสบายใจแล้วเราก็จะได้พยายามทําความดีทาสิ่งที่ถูกแล้วความดีหรือสิ่งที่ถูกถ้ามันมีมากกว่าการผิดพลาดมันก็จะอย่างน้อยก็เบรกผลของการผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นก่อนอนก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย ถ้าจะคิดถึงมันก็คิดเป็นคติเตือนใจว่าเราอย่าทําซ้ําอีกนีไม่ต้องไปกังวลเพราะไปทําอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วขอบคุณค่ะคําถามฝากถามค่ะถ้าเราทําบุญทําทานทุกวันแต่ว่าใจเรายังทุกยังเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ทุกวันกับการจากไปของคุณพ่อแล้วถ้าเกิดเราตายไปในขณะที่เราทุกข์ กับการสูญเสียกับการคิดถึงท่านอาลัยอาวรณ์อยู่แบบนี้ถ้าเราเกิดตายขณะนั้นเราจะไปอบายไหมคะเพราะว่าจิตสุดท้ายเราเศร้าโศกเสียใจค่ะก็ไม่แน่หรอกเพราะเวลาตายจริงๆนี้บุญและบาปที่เราได้ทำไว้ตลอดมามันจะมาเป็นผู้มาตัดสินเองถึงแม้เราจะเศร้าหมองเลแต่ถ้าบุญกุศลนั่นเก่าที่เรามีอยู่มันมีมากกว่าความเศร้าหมองมันก็ ยังดึงให้เราไปสุขติได้อยู่เห็นไม่ต้องไปกังวลมากพยายามทำบุญให้มากๆแล้วก็อย่าทำบาปความเศร้าหมองบางชนิดไม่ได้เป็นตัวที่จะพายเราไปอบายความเศร้าหมองที่ต้องเกิดจากการทำบาปเป็นจะเป็นตัวที่เราดึงไปอบายแต่ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่มันมีได้แต่มันจะ ไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้ว่าจะไปทางไหนทางหนึ่งนะตัวที่จะชี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนือความสุขที่เกิดจากการทำบุญไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหลักตัวอื่นก็จะเป็นเพียงแต่ตัวเสริมเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าพ่อที่เสียไปได้เกิดใหม่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ จะมีโอกาสไหมคะว่าพ่อจะจำลูกกับแม่ได้ก็มีเรื่องที่เด็กเกิดมาแล้วก็จำเหตุการณ์สถานที่ต่างๆได้ก็อยู่ว่ามาเกิดแล้วมาเจอกันหรือเปล่าถ้าเจอกันก็น่าจะจำได้เพราะเศรษฐีนี่ยังจำที่ตัวเองฝังสมบัติไม่ได้มีเศรษฐีนิทานในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีรักสมบัติหวงสมบัติมาก ได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปฝังดินไม่ยอมบอกลูกหลานไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้เป็นของตนคนเดียวพอตายไปความผูกพันในสมบัติจึงทำให้ดวงวิญญาณมาเกิดในท้องสุนัขในบ้านของตนตอนเกิดมาเป็นลูกสุนัขพอพระพเจ้าเดินผ่านมาก็บอกลูกว่าไอ้หมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอมาเกิดนะแต่มันบอกไม่ได้เพราะพูดภาษาเดียวกันไม่ได้ พวกเธอเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันหายไปไหนเนียเดี๋ยวมันจะไปขุดสมบัติของพ่อเธอให้แล้วเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมันก็ไปขุดสมบัติตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้เนี่ยมันจําได้จําได้เพียงแต่ว่าจะเจอกันหรือไม่หรือเจอกันแล้วมีพูดกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์นี่มันก็พูดกันไม่ได้ถ้าเป็นตุ๊กแกหรือเป็นหมาด้วยกไม่ได้ แต่ลราจะสงสัยทําไมตัหมาตัวนี้มันชอบมาอยู่ใกล้เราแล้วก็คำถามฝากถามพี่คาถามค่ะรบกวนพระอาจารย์เมตตาอธิบายหัวข้อธรรมในสติปัฏฐานสูตรด้วยเจ้าค่ะก็ในสติปัฏฐานสูตรก็มีหัวข้อธรรมอยู่สีคือร่างกายเวทนาจิตและธรรมอันนี้เป็นระดับของปัญญา คือเราต้องศึกษาร่างกายว่าเป็นไตายักษศึกษาว่าเวทนาเป็นตายรักษณศึกษาว่าทั้งหมดนี้เป็นไตายรักเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นของเราเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการพัดภาคจากกันาพอพัดภาคจากกันแล้วจะทําให้ทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไตายรักไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับ มาแล้วต้องไปมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดพากจากกันพอเกิดการสูญเสียเกิดการจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจในี่คือสิ่งที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับ4เรื่องนี้เรื่องร่างกายของเราเรื่องความรู้สึกของเราเรื่องอารมณ์ของเราและเรื่องธรรมที่มีอยู่ในใจของเรา มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มาแล้วไปเกิดแล้วดับคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะโยมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่นานเพิ่งได้ฟังธรรมหลวงพ่อสอนถึงรู้ว่าที่ผ่านมาไม่รู้จักาศาสนาพุทธเลยชีวิตที่เหลือควรทําอย่างไรคะเพื่อให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและชาติหน้าจะได้เจอาศาสนาพุทธเพื่อให้ ปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ก็ศึกษาปฏิบัติให้มากถ้าเรามีเวลาว่างก็ศึกษาฟังเทศฟังธร ร, รมอ่านหนังสือธรรมะพอรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรก็คือเราก็ปฏิบัติเช่นศึกษาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นนายมันเป็นบ่าวคนใช้จะลาออกจากงานก็ให้เขาไปเขาจะขอกลับบ้าน ปีใหม่เขาขอกลับบ้านแล้วค่ายเขากลับนะนี่เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนคนใช้เราดีๆนี่เหตุเพราะถึงเวลาเขาจะเจ็บเขาจะตายเราก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็ปล่อยเขาเจ็บเขาตายไปอย่าไปยือ้ออย่าไปดึงเอาไว้อย่าไปอยากให้เขาไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์ประหยัดแค่ถ้าปฏิบัติได้ ความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บหรือความตายนี้จะไม่มารบกวนใจใจจะสงบจะเย็นจะสบายปล่อยวางได้ถามต่อเชิญขอบเจ้าค่ะขออนุญาตถามเจ้าค่ะมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นนั่งขายของอยู่ที่ตลาดแล้วมันเป็นเห็นมันเหมือนว่างๆอะเจ้าค่ะ มันตอนนั้นนใจมันรู้สึกว่ามันมันไม่มีความสงสัยมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์มันไม่มีแบบแขนมันไม่มีสีมันไม่มีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอยากถามว่ามันเอใจมันสงบชั่วคราวแต่พอหลังจากนั้นมันก็บืบขึ้นมามึงอ๋อไอคนเนี้ยมาเอาของตอนนั้นมันคือจั๊กสีเวียจ้ะมันสงบชั่วคราวเหมือนพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใครมาคอย รบกวนมาคอยชวนให้ทำนู่นทำนี่พอจิตไม่มีสิ่งภายนอกมามาดึงไปจิตก็เลยเข้าสู่ความสงบอาศัยในอดีตชาติเคยฝึกสมาธิมาก่อนพอจิตมันอยู่ในสภาพที่เว้เวกวังเว ง, วงพอร่างกายมันเว้เวกวังเว ง, วงมันไม่ไปยุ่งอะไรกับใครมันก็สงบได้แต่มันก็สงบเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมารับรู้กับเหตุการณ์ต่าง ก็ดีถือว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีว่าเรามีบุญเก่าเราควรที่จะมาปฏิบัติเพิ่มให้มันสงบแบบนี้ซึ่งเราสามารถทําได้ถ้าเราฝึกสติใช้พุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดของเราแล้วพอมีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่จุดนั้นอีกเราจะเข้าไปอยู่ได้นานเพราะเราจะสามารถสั่งมันได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ดีพยายามทําไปนี่แสดงทรัพย์สินเก่ามันมามาเปิดเผยให้เรารู้ว่าเนี่ยเรามีทรัพย์สินเก่าติดตัวมามาสร้างทรัพย์สินนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบอื่นรู้สึกมีความสุขไหมเวลามันสงบหรือมันเฉยเฉยนะก็ลองเอาไปทําต่อดู จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะนั่งสมาธิเห็นผู้ชายผู้หญิงร่วมรักกันพิจารณาต้นเหตุคือจิตใช่ไหมคะเพราะมันหลงอันนี้ถูกไหมคะไม่ถูก่นั่งสมาธิไม่ต้องการให้เห็นอะไรไห้เห็นลมให้ดูลมให้เห็นพุทโธถ้าไปนั่งเห็นอย่างนั้นไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนั่งปรุงแต่งแล้วเนี่ยเขาเรียกหลงคิดว่าไปวิปัสสนานละดีไมด่ดีเดี๋ยวก็ไปนอนกับเขาต่อเลย ว่าเห็นภาพต่างๆอ่านี้อย่าไปสนใจรีบกลับมาหาพุทโธ ร, รีบกลับมาหาลมหายใจให้ภาพเหล่านั้นหายไปถ้ามันติดตาติดใจเดี๋ยวลูกจากสมาธิกันมามันก็จะไปนอนกับเขาะคําคำถามจากคุณอร น, นุชค่ะถ้าเราเคยฆ่าสัตว์ แล้วเราอยากทําบุญเราควรจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นโดยตรงเช่นไท่ชีวิตโคกระบือหรือเปล่าคะหรือว่าทําบุญอย่างอื่นได้คะได้แล้วแต่เราจะชอบบุญมันแทนกันได้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดคือความสุขใจอิ่มใจบาปก็คือความทุกข์ใจร้อนใจไม่ว่าจะทําบาปชนิดใดมันก็ทุกข์ใจร้อนใจเหมือนกัน บุญทาชนิดไหนมันก็สุขใจอิ่มใจเหมือนกันย้นหลายที่ทำให้เราสุขใจอิ่มใจเราก็ทำมันเพราะบุญบางอย่างอาจจะไม่ทำให้เราสุขใจอิ่มใจเหมือนกับบุญบางอย่างก็ได้คนเราจรึงเลือกทำบุญชนิดต่างๆกันบางคนมีความสุขใจอิ่มใจกับการปล่อยนกปล่อยปลาเขาก็ปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาบางคนมีความสุขใจกับการใส่บาตรเขาก็ไปใส่บาตรได้ทั้งนั้นมันให้ผลคือบุญเหมือนกัน แต่วิธีเข้าถึงบุญนั้นต่างกันเท่านั้นเอง <c oughs> จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะพอจะมีหลักการเลือกว่าจะใช้กรรมฐานใดบำเพ็ญพิจารณาให้เหมาะสมกับใจเราไหมครับทั่วไปเราก็ใช้พุโทโธเนี่ยหรือใช้การเฝ้าดูร่างกายขณะที่เรายัางไม่ได้นั่งคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆด้วยการบริกรรมพุโทโธพุทโธไป หรือการเฝ้าดูว่าร่างกายของเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าใช้พุทโธถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกายก็เรียกว่ากายคกตาสติเพื่อควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆ mm. พอมานั่งถ้าเราใช้พุทโธล้วก็พุทโธต่อไปถ้าเราดูร่างกายแล้วก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดลมแทนมาอาณาปนสติแทน ดูลมหายใจเข้าหายใจออกแทนก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้แต่บางเวลาถ้าใช้สองอย่างนี้ไม่ได้เพราะเช่นเวลาเกิดความโกรธใครขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานมาเป็นเมตตาภาวนาให้อภัยสัพเพสัตตาเวลาโหนตุอย่าไปจองเวรจองกรรมกันจองเวรแล้วก็จะเป็นเวรเป็นกรรม ตามล้างตามพราญกันไม่รู้จักจบจากสิ้นให้อาภัยเขาแล้วใจก็จะเย็นจะสงบก็จะกลับมาภาวนาพุทโธหรือดูลมได้ถ้าเกิดการอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะในตอนนั้นไม่ใช่นั่งสมาธิเห็นคนนอนด้วยกันแล้วก็ไปดูต่อมันต้องรีบดูว่าเห็นโครงกระดูกสองคนกำลังนอนน่วมกันอยู่เห็นหน้าสุภะแทนมันก็จะได้ไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมา ถ้าเกิดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ระเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปอันนี้บางทีนั่งแล้วมันสงสัยนั่งแล้วจะได้ผลหรือเปล่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จริงหรือเปล่าก็ไประลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณส่วนบทเอติปิโสไปก็ได้เดี๋ยวความลังเลสงสัยก็หายไปแล้วก็จะมานั่งสมาธิดูลมหรือพุทโธได้นะ คำถามจากคุณพทัยคะ่ะ <c oughs> ผมป่วยหนะักคงอยู่ได้ไม่นานแต่สิ่งที่กังวลมากคือกลัวความทรมานก่อนไปพยายามเปิดฟังธรรมะบ่อยๆแต่ก็ปลงเรื่องกลัวการทรมานไม่ได้ชอบคิดจนกลัวจะต้องทำยังไงครับความกลัวมันก็เกิดจากความหลงนั่นเองความหลงก็คือเกิดจากความเข้าใจผิดที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา งก็พยายามพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันทำมาจากดินน้ำลมไฟมันเป็นของขวัญพ่อแม่มอบให้เรามาเป็นตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งให้เรามาเล่นกับมันเนั้นเองเดี๋ยวตุ๊ ก, กตาตัวนี้มันก็ตายไปก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟเิดนอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ความกลัวความทรมานมันก็จะไม่เกิด ความทรมานมันเกิดจากความหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราจะตายเราไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ความจริงเราไม่ตายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นใจที่ไม่มีวันตายเนี่ยต้องพยายามศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายอย่างถูกต้องคือปล่อยวาง มันเป็นอะไรก็ดูแลมันไปเท่าที่จะดูแลได้ถ้าถึงเวลาดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะหยุดหายใจก็ปล่อยมันหยุดหายใจแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ทรมานค่ะคำถามจะคุณโคโคค่ะมีบางคนเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมะครูบาาจารย์แต่กลับชอบว่าคนอื่นผมก็เลยบอกเขาว่านี่หรือนักปฏิบัติธรรมเขาก็เลยกโกรธผม ผมก็ไม่เตือนเขาอีอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเราก็ผิดเนี่ยเขาก็ผิดเนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขาเลยเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไปทะเลาะ ก, กับเขาก็พอกันแหละอย่านอย่าไปยุ่งกับใครเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเรามาดูเรื่องของเราว่าสงบหรือไม่สงบดีกว่าคันหรือไม่คันชอบคันด้วยคันในเรื่องที่ไม่ควรจะคันเรื่องที่ควรจะคันไม่คัน คำถามจากคุณสุภเลิศข้อแรกค่ะการพิจารณาคือการใช้จิตและสมองเข้าไปคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งอดีตและปัจจุบันแล้วน้อมมาสอนตัวเองอย่างนี้ถูกไหมครับสมองคิดไม่ได้หรอกจิตเป็นผู้คิด สมองเป็นเพียงแต่ผู้ทาหน้าที่คอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆตามคำสั่งของใจอีกทีหนึ่งเป็นผู้ประสานคำสั่งรับคำสั่งมาจากใจแล้วก็สั่งไปที่แขนที่ขาให้ยกขึ้นให้แว่งไปแว่งมาสมองทาหน้าที่ตามรับคำสั่งอีกทีไม่ได้สมองไม่มีความคิดคิดไม่เป็นผู้ที่คิดคือใจพุทธ องใจเป็นผู้คิดคิดแล้วสมองก็รับคำสั่งไปทำตามที่ใจคิดคิดว่าเดี๋ยวขอลุกเนะี่ยสมองก็สั่งไปที่ร่างกายอา่ะเตรียมตัวลุกเนะี่ยคำสั่งมาให้ลุกนะอา่านั่นก็คำถามข้อสองค่ะการคิดพิจารณาไม่สามารถทำตอนเข้าฌานใช่ไหมครับใช่ตอนเข้าฌานต้องหยุดคิดเนี่ยจิตสงบนิ่งสงบไม่คิดไม่ได้แต่คิดก็ตอนออกมาจากฌานแล้ว คำถามข้อสามค่ะแล้วควรพิจารณาตอนไหนครับเช่นรีพิจารณาตอนที่ออกจากฌานใหม่ๆหรือให้ฝึกสติรู้ลมไปตลอดวันแล้วพิจารณาไปตามเหตุปัจจัยที่มันผุดขึ้นมาครับถ้ายังไม่มีฌานก็ต้องฝึกสติก่อนให้เกิดฌานพอเกิดฌานแล้วถ้ายังไม่มั่นคงก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนออกจากสมาธิก็จเจริญสติต่อ เพื่อให้สติมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าฌานได้นานได้ง่ายจนชำนาญนถ้าเราชำนาญในเรื่องสมาธิแล้วเวลาออกจากฌานเราก็ทําได้สองอย่างทําการบ้านเตรียมไว้ก่อนพิจารณาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดที่จะเกิดเช่นความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาร่างกายเหมือนเป็นการทำการบ้านหรือถ้ามีเหตุการณ์จริงเวลาออกมาเป็นหมอบอกเป็นโรคมะเร็งก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปว่าร่างกายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปกังวลรักษามันไปเลี้ยงมันเหมือนคนใช้มันเป็นคนรับใช้เรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังสอบตกอยู่ขออีกเรื่องสองสามคำถามครับพอาจารย์จากเด็กชายพคินเพื่อนทําแว่นผมหกักแล้วผมมาบอกแม่ขอโทษแม่แม่ให้อภัยแต่ก็เสียใจแล้วก็เสียเงินผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้มันเสีย พอจิตเป็นสมาธิได้กลิ่นหอมของน้ําโอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างนี้เทวดาหรือเปล่าเจ้าคะก็เรียกว่ากลิ่นทิพย์ก็แล้วกันกลิ่นทิพย์ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเทวดามันก็เป็นกลิ่นทิพย์พระพุทธเจ้าบอกว่าสัมผัสรับรู้อะไรก็ให้รู้เป็นตามที่ได้สัมผัสรับรู้อย่าไปปรุงแต่งได้กลิ่นทิพย์ก็รู้ว่าเป็นกลิ่นทิพย์กลิ่นหอมก็รู้ว่ากลิ่นหอมรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเท่านั้นเอง คุณทำสุดท้ายค่ะพระที่เป็นพระปฏิบัติในแบบพระวัดป่าสามารถเดินทางไปแสดงธรรมที่ต่างประเทศหลายๆประเทศและไปสร้างวัดเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ต่างประเทศวัดหรือวัดป่าในไทยได้ไหมเจ้าคะผิดศีลไหมเจ้าคะอ๋อไม่หรอกถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็มีหน้าที่เอาคําสอนที่ท่านได้บรรลุไปเผยแผ่แล้วถ้ามีใครมีศรัทธานิมนต์ท่านสร้างวัดท่านก็สร้างให้ อันนี้ก็ไม่เป็นผิดศีลผิดธรรมเป็นหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระมีอยู่สามขั้นตอนสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาสองปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นที่สามบรรลุธรรม พอบรรลุธรรมแล้วที่ก็เผยแผ่คําสอนต่อไปไปจาวลิกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่เดียวเดินทางไปเปลี่ยนที่ไปได้เรื่อยเพื่อจะได้ไปสอนคนได้มากๆากแล้วไปบางที่เขามีศรัทธาเขาก็สร้างวัดถวายให้ท่านประทับอยู่วัดวาลามก็เกิดขึ้นจากการไปเผยแผ่ธรรมะของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วหมดนั้นนะเอาแค่นี้ก่อนนะหมดเวลา